ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตเช้าเรื่องมนุษย์สีอริยะเมตไตรโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัด น, นี้ค่ะ เราวันนี้เรามาเรียนกา ย, ยสูตรต่อที่ว่าโดยธรรมะที่พึงละด้วยกายนะมาว่านี่เราได้อธิบายมาถึงบทแรกว่าธรรมะที่เราละด้วยกายนะไม่ใช่ด้วยวาจาไม่ใช่โดยใจนคนพึงละด้วยกายนะมิใช่วาจามิใช่ด้วยวาจาแต่แท้จริงถ้าไม่ได้บอกว่าไม่ใช่โดยใจเลยนะ ก็ธรรมะอันบุคคลพึงละโดยกายไม่ใช่โดยวาจาเป็นชนไหนบุคธรรมะอันบุคคลพึงละโดยกายไม่ใช่โดยวาจามีอยูอ่ธรรมะอันบุคคลพึงละโดยวาจาไม่ใช่โดยกายมีอยู่ธรรมะอันบุคคลพึงละโดยกายไม่ได้โดยวาจาไม่ได้ พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้มีอยู่ทีนี้ธรรมะอันบุคคลพึงละโดยกายไม่ใช่โดวยวาจาแต่ต่อมาก็ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจานะไม่ใช่โดยกายแล้วก็ทสงวรระวังนะเมื่อมีอะไรแล้วก็ละลงคือกายกับวาจานี่มันก็จะต้องเกี่ยวเนื่องใยใจ นะเพราะว่ากายกวัจจา ร, ราศจากใจมันไปทําอะไรไม่ได้เพราะใจหรือมโนเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะงั้นคําว่ากา ย, ยาสูตรคานี้จริงๆแล้วมันก็ต้องกายที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงกายในกายหรือใจนั่นแหละทั้งนั้นแหละนะเพราะเราละได้กายกักควบคุมข้างนอกเราละวาจากักควบคุมข้างนอกแต่ตัวควบคุมนั่นคือใจ ละก็คือใจเป็นผู้รู้จริงๆแล้วละก็คือใจเป็นผู้ละเป็นผู้สั่งให้กายเป็นเช่นนั้นให้กายเป็นเช่นนี้ให้กิริยาทางกายเป็นเช่นใดให้กิริยาทางวาจาเป็นอย่างไรก็ตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวรู้แล้วก็เป็นตัวกำหนดเป็นตัวสั่งเป็นตัวปรับเป็นตัวปรุงเป็นตัวทำให้เป็นเพราะฉะนั้นละอาการอย่างนั้น จะเป็นอาการกายหรืออาการวาจาละอย่างใดจ pues. ิตจะต้องเป็นตัวรู้หมดนะเป็นตัวรู้หมดเป็นแต่เพียงว่ากายกับวาจานั้นเป็นคนลักษณะเท่านั้นละด้วยวาจาก็คือละด้วยวาจาละด้วยกายก็คือละด้วยกายบางอย่างละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาละด้วยวาจาไม่ได้บางอย่างละด้วยวาจาละด้วยกายไม่ได้แต่ก็คือใจเป็นตัวควบคุมต่อมาที่นี้ใจเระเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นคําว่ากายสูตนี้ ท่านก็จะต้องเข้าใจให้ได้ว่าท่านตั้งชื่อว่ากายสูตรซะด้วยซ้านะแต่แท้จริงแล้วก็หมายถึงกายที่ลึกซึ้งทั้งนอกและในเราจะต้องจะไปพาซื่อว่ากายก็คือเอาแต่ข้างนอกกายมันหมายถึงองค์ประชุมนะยิ่งมาถึงใจที่เราอธิบายมาถึงได้ด้านที่เรียกว่าใจแล้วธรรมะอันพึงบุคคลพึงละโดยกายไม่ได้โดวยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้เป็นฉนไหนที่เราได้ อธิบายกันไปบ้างแล้วนะว่าโลภะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ไดนะ้พึงเห็นชาติโดยปัญญาแล้วจึงละไดนะ้หรือโทสะก็เหมือนกันนะโทสะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชาติ้วยปัญญาแล้วจึงละได้โมหะก็เหมือนกันโกทะอุปนาหะมัคคปราสัสมัฉริยะต่างๆพวกนี้เป็นอาการที่อาตมาก็เคยอธิบายมา บ่อยมานานหลายครั้งหลายคราวขยายความละเอียดละออะไรก็ได้ขยายมีความแตกต่างกันมีมากกว่านี้ก็ได้นะโดยเฉพาะสายหลักๆของโลภโทสะโมหะเป็นต้นต่อเป็นโคตนะหรือเป็นมูลเป็นเขาแล้วมันก็ขยายออกมาเป็นกลางเป็นละเอียดนะหยาบ ก, กลางละเอียดออกมาเราก็พยายามเข้าใจให้ได้ว่าอย่างนี้มัน สงเคราะห์เขาในสายไหนสงเคราะห์เขาในสายโรพะสงเคราะห์เขาในสายโทะสะสงเคราะห์เขาในสายโมหะอย่างไรนะีเราก็เขา้าใจเอาให้ได้นะโกทอุปนาหามัคคปลาสามัจฉริยะต่างๆนี่รุนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องที่จะเกิดในทางใจซึ่งเราจะต้องรู้ด้วยปัญญานี่ท่านบอกว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ การละนี่ละได้ด้วยปัญญาจริงๆละที่สุดแม่อนุสัยถอนอนุสัยถอนอาสวะก็ละด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยการกดข่มเท่านั้นหรือการใช้จิตสลัดออกเฉยๆทำลื ม, ลมๆเฉยๆทำห àng, ่างๆแล้วก็จำไม่ได้หรือว่าไม่หางละทำสะกดจิตแบบ ทำสมาธินั่งหลับตาพวางนี่แหละแล้วก็กดไปโดยไม่รู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจรอบมันเป็นอาการยังไงมันมีเหตุมาอย่างไงแล้วเราเองไปหลงไหล ย, ยังไงเป็นรสของโลกยังไงติดยึดเป็นความสุขอยู่ในโลกนั่นเองอ่าเป็นความสุขติดใจนะแล้วมันก็ไม่รู้จักปล่อยจักละหละแม้ที่สุดเราไม่ติดใจแล้วคนที่เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยอยู่กับทุก ก็เคยบอกแล้วพระพระอาหารเจ้านี่ท่านก็บอกแล้วว่าทุกท่านั้นเราเกิดขึ้นทุกท่านนั้นตั้งอยู่ทุกท่านนั้นดับไปแต่ว่าทุกที่ว่านี้มันเป็นทุกข์อริยสัตว์มันเป็นทุกข์ที่เรายังมีขันห้าเรายังเลี่ยงไม่ได้เรายังมีการงานเรายังมีกรรมกิริยาเรายังมีสิ่งที่จะต้องรังสรรค์ในสิ่งที่ต้องเป็นไปด้วยดีด้วยประเสริฐด้วยคุณค่าเราก็ยังชีพไปด้วยสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความนขนนไพร่ด้วยความเป็นคนมีบุญ มีอัปใจนามัยมีวียววัจมัยอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่โปรดเปรดอรตมาใช้คำว่าโปรดเพรตมีปัตานุโมทนาใหม่ีออกมีปฏิฐานนมัยมีปัตานุโมทนาใหม่มีการโปรดเปรดมีการก็รู้ก็เข้าใจก็ยินดีอยู่ในสิ่งที่เป็นความดีเข้าถึงอนุโมทนาอยู่ในจิตอนุโมทนานี่นะเป็นจิตที่วิเศษ นาจิตอนุโมทนาหมายความว่าคนเรานี่ปรารถนาดีเมื่อเขาเข้าใจว่ากุศลาธรรมมาเป็นอย่างไรอกุศลาธรรมมาเป็นอย่างไรแล้วเราก็ปรารถนาให้อกุศลาหรืออกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะที่เราหรือไม่ว่าจะที่ใครให้ระงับให้เลิกให้ดับให้ศูนย์ไม่ให้เหลือส่วนดีก็ให้ยิ่งขึ้นกุศลาธรรมก็ให้ยิ่งขึ้น เพราะฉัว่าเราเข้าใจสรุปแล้วมันมีอยู่เท่านี้แหละมีแต่ดีกับชั่วเนี่ยอยู่ในโลกปรมัตก็คือจิตใจที่ตัวรู้ขันห้าก็คือสภาพที่เรายังเป็นอยู่อาศัยอยู่เราต้องรู้สมมุติว่าขันห้านี่ก็เป็นสมมุติไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างแท้จริงนะสุดท้ายเร า, าเอามาันมาเป็นเราไ ม, ไม่ได้ไม่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปตลอดกาลนานไม่ได้แม้แต่จิตปิญญามันก็ไม่ใช่ตัวตนเราของเราของเขาอะไรมันก็เป็นแต่เพียงปัจจัย องประกอบของปัจจัยจิตวิญญาณก็เป็นองประกอบของปัจจัยเรารู้อย่างนั้นแล้วและเราก็สละสิ่งที่ควรสละเลิกสิ่งที่ควรเลิกออกให้ได้สิ่งที่มีก็สร้างให้แข็งแรงแม่แข็งแรงเป็นความดีเป็นความชำนาญเป็นความเก่งเป็นความสามารถอย่างไรก็ตามสามารถสร้างสิ่งที่ดีกระทำสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษขยันมันเพียรอดทนมีฝีมือความรู้ สร้างได้เท่าไรจะสร้างอะไรก็แล้วแต่สร้างสิ่งที่วิเศษที่สุดก็คือสร้างคนให้เป็นพระอรหันนี่แหละวิเศษที่สุดเราสามารถสร้างได้คนก็ไปประกอบกรรมไปกระทําอะไรตระยู่ในสังคมเพราะสังคมคนจะไปสร้างอะไรต่อจะไปสร้างวัตถุจะไปสร้างอะไรขึ้นมาให้คนได้อาศัยให้คนได้ช่วยเหลือเป็นเศร ษ, ษฐกิจของโลกเป็นเศรษฐกิจของสังคม หรือจะไปปกครองดูแลช่วยเหลือรังสรรค์ก็เป็นรัฐศาสตร์ของสังคมเป็นอะไรของสังคมทั้งนั้นแหละสามารถทําได้เป็นสิ่งที่ควรเป็นสิ่งที่อาศัยและเราก็ไม่ได้ติดใจว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ไปเอาเปรียบเอารัดอะไรชีวิตของเราก็เปลืองน้อยพลาญ น, น้อยหรืออาศัยน้อยอาศัยไม่ไม่เปลืองไม่เฟร์ได้สัดส่วนที่แค่นี้ก็เลื้อแลแล้วซึ่งก็จะไม่เถากันทีเดียว พระอรหันต์บางรูปกินมากกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าจะมาชมเราเพราะเราเป็นคนกินน้อยไม่ได้เพราะมีสาวกของเราบางรูปกินมากกินน้อยได้กว่าเราบางคนกินมากกว่าเราจะว่าเรากินมากก็ไม่ได้แล้วจะว่าเรากินน้อยก็ไม่ได้จะว่าเราเสวยนี่แหละท่านใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าชมเราว่าเรากินน้อยก็ไม่ได้ชมเราว่าเรากินมากก็ไม่ได้มันไม่เท่ากัน แต่คนละคนแต่ละคนก็อาศัยพอสมควรให้มันน้อยได้มากๆหน่อยก็ดีแต่ว่าน้อยลงไปแล้วถึงขีดสมดุลถึงขีดลงตัวแล้วเราก็รู้ว่าเออเราก็กินแค่นี้ใช้แค่นี้อยู่แค่นี้ก็ดีแล้วรังสรรค์ทอะไรได้มันมีความจําเป็นจะต้องมีอันนี้ใช้เป็นบริขารเป็นองค์ประกอบก็ใช่สันนิษฐามันจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันจะไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการที่เสพที่ติด ท, ที่ยึดเป็นอร่อยโดยเฉพาะอัศ ร, อร์ธรสอร่อย ไม่มีรสอร่อยในโลกไม่ว่าจะเป็นกามตัญหาหรือภราว่าตัญหาที่สุดแม้วิภวะตัญหาที่สุดแม้วิภวตัญหาเพราะฉะนั้นเราจะไล่เรียงลงไปให้จิตมันทุกข์เช่นว่าโกทะมันทุกข์นะมันโกรธอุปนาหะผูกโกรธก็ทุกข์นะมักขะนะการลบหลู่คุณของคนอื่น าการลบหลู่มักขะาอาตมาไม่อธิบายละโกถ้าไม่อธิบายอุปนาิหาไม่อธิบายนะมักขะการลบหลู่คุณของคนอื่นเราเป็นทุกข์นะที่จริงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เกิดคุณค่าสร้างสรรค์ก็ด้วยแล้วเราก็ถ้าเผื่อว่าเรายากจะเจอหน้ากันหรือเรายากจะต้องนึกถึงคนที่เรามีคุณงามความดีแต่เราก็ลบหลู่ มันไม่ใช่เรื่องรังสรรค์ไม่ไม่ใช่เรื่องดิบเรื่องดีไม่ใช่เรื่องประเสริฐของผู้ประเสริฐไม่ใช่เรื่องของความมีปัญญาของผู้มีปัญญามันเป็นความโง่มันเป็นอวิชามันเป็นความเหลวไหลเพราะเราต้องรู้แม้แต่คนที่เขาจะเป็นคุณเป็นคนมีคุณงามความดีมีดีน้อยหนึ่งเราก็ไม่ลบหลู่ความดีของคนที่มีนั้นนั้นเขาจะมีความชั่วมากกับเรื่องของเขาพอเรารู้ให้ละเอียดถ้าเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็รังสรรค์ยกย่อง ชมเชยกันบ้างเราก็พอประสานกันได้ในโลกมันก็อยู่ด้วยกันได้ดีนะแม้จะเป็นศัตรูของเราก็มีดีอะไรบ้างเลดนิดน้อยๆก็ยังพอประสานกันได้นะส่วนที่เราช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปคนที่ช่วยกันไม่ได้บพราะว่าในฐานะของเราเราก็ช่วยเขาไม่ได้แต่คนที่มีฤทธิ์แรงช่วยกันได้มันมีในโลกก็ให้คนนั้นแหละช่วยกันอาจจะเป็นครูที่สู้เราไม่ได้หรอก เราเป็นครูที่มีคุณค่ามากกว่าเป็นครูที่เก่งกว่าบางอีกบางคนเนี่ยเป็นครูสู้เราไม่ได้แต่ครูคนนั้นนั่นแหละสามารถที่จะเป็นครูของศัตรูคนใดคนหนึ่งเราได้ไม่ใช่เราทีเดียวเรารับผิดชอบอะไรไปทั้งหมดไม่ได้หรอกในโลกแบ่งกันเพราะฉะนั้นครูคนที่สู้เราไม่ได้หรอกไม่ได้ดีเท่าเราหรอกยังต่ำกว่าเราแต่เขาเป็นครู ให้แก่อีกคนหนึ่งได้เขาศรัทธากันเขามีบุพเพนิวสาบุพเพนิวะเขามีบุพเพสนิวาสเขาเคยร่วมเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาอย่าไปแปลบุพเพสนิวาสแปลแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องคู่กันเท่านั้นล่ะ ผมไปสนนิว่าสเขาเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเขาเคยช่วยเคยเหลือกันมาก็เคยเชื่อเคยถือกันมามันมีได้เยอะแยะเลยนะเพราะนั้นบางคนก็แค่นั้นแหละแค่เพื่อนกันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันแต่เกาช่วยกันได้นะเชื่อฟังกันมั่นใจกันไว้ใจกันเคารพนับถือความคิดเห็นกันแม้แต่เป็นเพื่อนบางทีก็แค่เป็นเพื่อนแต่เขาช่วยกันนะเขาช่วยกันได้ บางคนเนี่ยเป็นครูก็ฐานะครูฐานะรู้สึการนับถือยกย่องไม่ใช่แทะฐานะเพื่อนเท่านั้นก็มีบางคนนี่เป็นครูโอ้โหครูใหญ่เลยนะเป็นครูที่สูงส่งเลยเหมือนกับสิ่งที่จะต้องยกไว้เลยต่างหากเลยก็มีบางทีครูที่เหมือนกับยกไว้เลยต่างหากนี่แหละแต่กลับช่วยเราไม่ได้นะกลับช่วยเราไม่ได้ใหญ่ไปไกลไป ห่างไปจนเราไม่สามารถที่จะจับรายละเอียดอะไรได้หรือว่าจับสิ่งอะไรที่สนิทสนิทได้จนกระทั่งสามารถจับติดจับมั่นขั้นตายแล้วก็แก้ไขละลางอะไรได้มันกลับไม่ได้งี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่คุณสังเกตเถอะแล้วก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าไปลบหลู่คุณใครใครใครเขาทำงานของแต่ละคนแต่ละคนเขาก็ทำกันไปเป็นลาดับลาดับลาดับ มักกะคือการไม่ลบหลู่คุณของใครๆไม่ลบหลู่คุณท่านโดยเฉพาะคนที่มีบุญคุณกับเรามากมายเป็นคนที่มีคุณแก่ประชาชนเป็นคนแก่มนุษยชาติมากมายโอ้คนนี้เป็นมีบุญคุณต่อมนุษย์โลกพระพุทธเจ้ามีบุญคุณต่อมนุษย์โลกเยอะแยะพระโพธิสัตว์หรือ ว, ว่าผู้นี้ทํางานแม้จะไม่ใช่เราทํางานกับคนอื่นก็ตามและเป็นคุณนะรังสรร์สร้างสรรค์เป็นคุณเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อโลก แม้จะยังไม่ได้มาบุญคุณกับเราเลยก็ตามอย่างศาสดาของศาสนาอื่นๆใดๆเขามีบุญคุณต่อมนุษย์โลกอื่นเราไม่ได้ปฏิบัติตามก็เลยไม่ได้เรียนรู้ในสมไปว่าคําสอนเขาเขาว่าอย่างไรก็ตามแต่เรารู้แล้วว่าคนในโลกนี้เขาได้รับประโยชน์เขามีคุณมีค่าแก่มนุษย์อื่นๆแล้วก็ได้รับประโยชน์จากศาสดารูปนี้แหละองค์นี้แหละเราก็ไม่ควรไปลบหลู่คุณของท่าน แม้เราจะไม่ได้ประโยชน์จากคุณคนนี้ท่านคนนี้ท่านองค์นี้อย่างนี้เป็นต้นนะก็ขยายความไปฟังแล้วเพราะมันเป็นทุกข์แล้วมันก็เป็นความต่ํามันเป็นอวิชามันเป็นความไม่มีปัญญาของคนไม่มีปัญญาน่ยถ้าเราได้เรียนรู้อาการอย่างนี้แล้ก็ละก็ ล, ะก ล, ะกลดมขลาสะการตีตนเสมอตีตนเสมอนี่ถ้าเราไม่เสมอจิงโสดาเสมอโซด า, ส, ซดาสกิทาเสมอสกิทา อนาคาเสมออนาคตาอารหันต์เสมออรหันต์เราเปรียบเทียบนะเราวัดเราประมาณนะถ้าเรารู้ความจริงว่าเราเองนี่ถือตัวถือตนมันจะเข้าไปหาตัวสภาพที่เป็นอัตตามาณถือดีหลงผิดนะไปตัวที่หลงผิดเทียบตีตนเสมอกับคนที่ไม่เสมอชัดๆก็คนที่เขาสูงก็เราเราก็ทําแอคทาตีตนเสมอมันผิดหมดเลย ไม่มีการเคารพนับถือไม่มีการเข้าใจถึงสภาวะน้อยมากสูงตำ่ำชัวัติที่ควรยกไว้สภาวะที่ควรนอบน้อมสภาวะที่ควรถ่อมตนอะไรเราไม่รู้จักความพอดีพอเสมอพอเป็นไปในสูงในต่าอะไรก็เป็นคนวัดค่าอะไรไม่ออกเพราะเราจะต้องวัดค่ามีมากมีน้อยอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้ไปเลยไม่ว่าด่านไหนนะ เพราะถ้าบอกว่าเราไม่มีปัญญาในหุ่นรู้จักปิจัยเราจะไม่รู้ความเสมอเราจะไม่รู้ความมากความน้อยความสูงความต่ำเพราะฉะนั้นประลาสานี่คือการไม่รู้เรื่องในเรื่องของตีตนอันเสมอความหมายง่ายๆความหมายสั้นๆกระทัดรัดออกแต่ความหมายที่จริงๆแล้วมันก็ต้องเข้าใจโดยปริยายโดยรอบโดยกว้างโดยลึก ให้เข้าใจได้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมอย่างที่เดชขยายไปบางเบิกีนี่หลนะเพราะฉะนัะะ้นาจะบอกว่าเราเองเราจะรู้ความหมายว่าโซดาคุณคือประมาณอย่างนี้ความเป็นคนชนิดนี้มีอาการอย่างนี้มีกายวาจาใจหรือมีจิตที่เดระลดกิเลสลงประมาณอย่างนี้เรียกว่าโสดาถ้าเรายังไม่ได้เราก็รู้ว่าเราน้อยเราต่ํากว่าผู้ที่เป็นโซดาถ้าเราสามารถรู้ผู้ใดว่าเป็นโสดาบัณและเราก็เออทําตนให้เป็นโซดาบันอย่างนั้น โดยรู้สารัธรรรูปรมัารู้ตัวสำคัญว่าสังโยชน์คืออะไรเราละสังโยชน์สามนี้ได้อย่างนี้เหมือนกันเราก็เสมอโสดาเรายังไม่ได้เราก็รู้ว่าเขาสูงกว่าเราได้เราก็เออจนกระทั่งได้แม้ที่สุดเราได้แล้วเราเสมอแล้วเราสูงกว่าเขารู้ว่าสูงด้วยจริงแต่ก็ไม่ต้องเบ่งต้องคมกันถ้าผู้นั้นเรียนรู้เหมือนกันเขาก็จะเคารพนับถือผู้สูง ไม่ได้เที่ยงแท้ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเป็นน้องจะต้องเป็นน้องตลอดการต่ากว่าจะต้องต่ากว่าตลอดการหรือสูงกว่าก็จะสูงกว่าตลอดการก็ไม่ใช่แต่โดยสัจจาและผู้สูงที่ไม่ประมาทมันก็จะไปได้เรื่อยๆยิ่งลึกๆซึ้งๆไปในทางปรมาด้วยเป็นนามธรรมเป็นคุณค่าที่วิเศษถึงจิตปิญญาจิตปิญญาตัวที่เอาจริงเอาจังมุ่งมัน่น มีความลึกละเอียดในเรื่องจิตปัญญาในเรื่องนามธรรมมีวิธีการมีมรรคยานมีผ ล, ลยานที่จะเอามาเปิดเผยเอามาอธิบายเอามาให้พวกคุณได้ศึกษาเป็นการศึกษาทางด้านปรมาตาเป็นการศึกษาที่วิเศษไม่ใช่น้อยนะอาตามารู้พวกคุณเห็นว่าอย่างนี้นะหายากคนอย่างนี้นะคนอย่างนี้ที่จะพานําพาเราให้เจริญทางนี้ไม่ใช่มี น, น้อยน้อยคุณก็รู้คุณก็ทราบซึ่งคุณก็เข้าใจมันก็นับถือยกย่อ ง, องเอชิดฉาบูชา ยิ่งนานวันเข้ายิ่งลึกขึ้นคุณเข้าใจคุณก็นับถือของคุณเองว่าอาตมามีทรัพย์เป็นอริยรัพย์ไม่ใช่ทรับตืนตื่นคนจะมีอริยซัพย์ที่จะมาแจกคุณเนี่ยหาได้น้อยคุณศรัทธาเขาก็คุณของคุณคนข้างนอกเขาไม่ศรัทธาเราก็รู้อาตมาก็รู้อาตมาก็ไม่ไปไปถือสาอะไรเขาเขาลบรู้อาตมาด้วยซ้ําอาตมาก็ไม่ถือถือสา และอาตมาก็รู้ว่าเขาเองเขาต่ํากว่าอาตมาหรือไม่ต่ํากว่าอาตมาในหลายๆคนถ้าอาตมามีข้อมูลอาตมาก็รู้ชัดขึ้นชัดขึ้นบางคนไม่มีข้อมูลอาตมาก็ไม่รู้ว่าเขาต่ํากว่าอาตมาหรือสูงกว่าอาตมาคนไหนก็ต่ํากว่าอาตมาสูงอาตมาอาตมาก็รู้ไม่ลบหลู่กันก่อนแล้วก็ไม่ทําตีตัวเสมอรู้ความจริงจนกระทั่งเรารู้ว่าเออไม่คมไม่เบ่งเขาแล้วก็ไม่ตีตัวเสมอเขาไม่ตีตัวเสมอรู้ว่าเราสูงตอนนี้ รู้ว่าเราสูงเราควรจะต้องเป็นผู้ให้แล้วจึงไม่มัชริยะ น, นี่อุปนาหะมัคะปสะมัชริยะตัวต่อมามัชริยะคือตัวตรณีที่เหนียวอาตมาไม่มีหลอกเงินทองไม่มีหลอกวัตถุสมบัติรูปนอกๆจะไปแจกไปจ่ายไปให้ไม่มีแล้วอาตมามีทรัพย์จริงๆก็เป็นอริยทรัพย์และเราก็รู้ได้ว่าคนไหนที่เขามีทรัพย์น้อยกว่าเรา โดยเฉพาะอริยสัพท์เราก็ไม่ตนีทีเนี้ยงจริงๆเราก็มีเจตนามีปรารถนาดีที่จะให้มีความปรารถนาดีจริงๆนะมันซอนลงไปอีกนะตอลงไปอีกอันหนึง่งจากมัชชริยะแล้วก็คืออิศสาปาปิกาอิศสาความริษยาอันชั่วชา้านะความริษยาอันชั่วชา้า ราัางจะบอวเราเองเราไม่ได้ฝึกปลือจิตปัญญาอย่างนี้นะเราจะอยู่ในโลกในสังคมนี้ใหญ่จริงไม่ได้สูงจริงไม่ได้ถ้าใหญ่จริงสูงจริงจะต้องรู้อาการทางจิตที่เป็นกิเลสตัวร้ายๆพวกนี้ชัดๆต้องล้างต้องล้างนะความประลาสาตีตัวเสมอความตรนีถ้าเราเองเราคิดว่าคนนี้เป็นศัตรูเราคนนี้ข่มเราเราไม่ชอบใจเราก็ จ, จิตใจเราก็จะอากาจจิตใจเราก็จะไม่เผื่อแผ่อะไรเลย โดยเฉพาะในการที่จะให้โดยเจตนาจิตจะให้โดยโดยการด้วยการรู้ตัวจริงๆเลยนะมีเจตนาไม่ใช่ว่าประชดหรือไม่ใช่ว่าด่าเขาไม่ใช่ว่าบริพาทเขาบริพาทคนที่รู้นี่สามารถบริพาทมีประโยชน์เหมือนกันนะเพรา ะ, ะนนคนที่ด่าเราโดยที่เขาไม่ไม่รู้ตัวด่าแต่เขาก็ด่าแล้วก็ให้ ให้ความรู้ให you know, ้ความหมายด่าเราแล้วก็บอกความผิดให้แก่เราชี้ความผิดให้แกเราโดยไม่เจตนาเรานะแต่บอกเขารู้ว่าเขารู้ความผิดส่วนเราเองสิหลงตัวไม่รู้ความผิดของตนคนนั้นเขาด่าแล้วก็โกรธเขาก็ชี้ความผิดของเราด่าความผิดมาให้เราโดยที่ไม่เจตนาเราเองเราตั้งสติดีๆเราโอ้ขอบใจเขาได้ด้วยนะเขาบอกอันนี้ถูกจังเลยนี่ยก็บอกความผิดอันนี้ให้แก่เราโดยที่เราก็ไม่รู้เอง เขาบอกให้เราโดยกรธโกรธโดยเคร่งเคร os, ยไม่เจตนาจะให้รู้ด้วยแต่เรารับได้มีสติสัพชัญญาปัญญารับได้ดีอย่างนี้เป็นต้นไอ้อย่างนั้นไม่ได้เจตนาแต่นี้เราจะเจตนาเลยนะอย่างอาตมานี่ยนะคนที่เขาด่าอาตมาว่าอาตมาค่มอาตมาเขาไม่ยอมรับฟังหรอกเราก็จะต้องมีใจเลยว่าเออเราจะไงนเนาะเราจะมียาทิพย์อาหารทิพย์ให้แก่เขายาทิพย์อาหารทิพย์ก็คือสิ่งที่จะไปเป็นประโยชน์แก่เขา รักษาทางจิตวิญญาณนี่แหละช่วยเขาได้เตือนเขาได้มีท่าทีลีราอย่างไรทาให้เขารู้ตัวเขาให้เขารู้สึกตัวกันไปต่ออันหลังอีกอันหนึง่งมันจะมีอีกอันสุดท้ายก็คือความปรารถนาชั่วหรือปรารถนาเลวแต่มันจะต้องมีตรงกันข้ามคือริษยาอันชั่วร้ายก็คือปาป า, ป, าปิกาอิศาแล้วมันก็สุดท้ายก็มีปาปิกา ฉาอีกอันหนึง่งอิศาก็คือริษยาปาปิกาก็คือบาปหรือชัวช่วร้ายชาั่วช้าปาปิกาอิศาริษยาชัวชา่วช้าและต่อมาก็ปาปิกาอิศาความปรารถนาความปรารถนานี่เป็นสิ่งดีแล้วอิจฉาวจัจรไม่ใช่เรื่องเป็นคำํำกลางมีความปรารถนาถ้ามันปรารถนาร้ายเป็นปาปิกาอิฉาอันนี้ต้องล ะ, ะต้องละต้องเรียนรู้รว่ากรรมกริยาอิริยาของมัน อิริยาหรือกิริยาของตัวที่เรียกว่าปาปิกาอิจฉาเราก็ต้องรู้อาการแล้วปรับร่างละลดด้วยการกระทาใจในใจทำอย่างอื่นไม่ได้นะทำอย่างอื่นไม่ได้นะเป็นความปรารถนาอันชั่วชาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายความปรารถนาว่ามีอะไรนะเช่นท่านอธิบายต่อว่าบุคคลในบางคนนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ ไม่มีศีลเป็นผู้ไม่เป็นผู้ฮูซูเป็นผู้ไม่อะไรตรงนี้เป็นสภาพต่อไปเนี่ยค่อยๆว่ากันนะตอนนี้เอาคําว่าปาปิกาอิจฉามาก่อนเป็นความปรารถนาถ้าความปรารถนาร้ายเราก็ละถ้าเราเป็นความปรารถนาดีรังสรรค์ขึ้นเถอะอาตมาว่าอาตมามีความปรารถนาดีนะมีอิจฉาวจรที่ไม่ใช่ปาปิกาแต่เป็นกุศลานะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะ เป็นกุศลาเป็นกุศลที่ดีหรือเป็นการลการกระะัลยากัลยาณนะที่ดีก็ทาทาเท่าที่เราประมาณทาที่เราคิดว่าอย่างนี้แหะจะเป็นสิ่งที่ปรุงให้แก่กันปรุงให้แก่ผู้นั้นผู้นี้ก็จะได้รับผลได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งที่สังวรสานึกสิ่งที่อะไรอะไรจะเกิดคุณค่าขึ้นมา ในลักษณะของแต่ละคนเราจะมีความรู้หรือจะมีการกระทำที่จะเกื้อกูลกันได้ทั้งโลกมากหรือน้อยถ้าอยู่ในฐานะที่ยิ่งฐานะที่เราจะช่วยใครๆได้หมดเราก็จะช่วยใครๆได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าคนสูงคนต่ำมากหรือน้อยเท่านั้นส่วนคนที่ไม่ได้เลยเราเราก็ไม่ได้ช่วยเขาเลยนั้นกันจริงๆจังๆก็ก็ไม่ใช่วาระนี้เท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าสามารถช่วยพระเทวทัตได้ว่าพระเทวทัตนี่เลวที่สุดได้ฉันใดซึ่งไม่น่าจะช่วยได้เลยพระพุทธเจ้าก็ช่วยได้ในอย่างนั้นเท่านั้นนะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกอัตมาก็พูดไกลนะซึ่งไม่ไม่ถึงฐานะที่พวกคุณจะทําถึงขนาดนั้นก็ตามก็เล่าให้ฟังนะแต่เราจะต้องเรียนรู้ไปในฐานะเราแต่ละคนแต่ละคนนะว่า สิ่งที่มันเป็นริษยาอันชั่วร้ายอย่าให้มีถ้าริษยาแล้วเราไม่สามารถที่จะให้อะไรใครได้ริษยาแล้วเราไม่ให้เขาหรอกตรณียิ่งกว่าตรณีถ้าเราริษยาว่าผูนี้ได้ดีแล้วเราไม่จะให้ไม่ให้ดีอะไรแกเขาอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องการให้เขาได้ดีอันนี้เป็นความชั่วร้าย เป็นความชั่วร้ายจะต้องไม่มัดชริยาไม่ตนีทีเหนียวนอกจากไม่ตนีทีนียเราต้องรู้ตัวเองว่าเรายัมีริสยาอันชั่วร้ายหรือไม่นี่ลึกลงไปอีกพราะถ้าบอกว่าเรามีริสยาอันชั่วร้ายเราจะต้องอ่านจริงๆเลยในใจว่าเราไม่เอาแล้วจะต้องปรับปรุงตัวเราเองอให้ใจเราอภัยนั่นเองอย่างน้อยที่สุดอภัย อ, โ, อโหสิเลิกในเรื่องที่จะไปเกลียดชัง ไปถือสาผูกแค้นผูกเครื่องย้อนขึ้นไปหาผูกโกรธโกรธเจ้ากะทั่งพยาบาทต้องเลิกหมดถ้าไม่เลิกหมดพวกนี้หรือไม่รู้เป็นโมหะไม่รู้จักไม่เข้าใจชัดไม่รู้แจ้งด้วยปัญญาไม่เห็นชัดด้วยปัญญาคุณก็ไม่สามารถที่จะรู้ตัวสภาพพวกนั้น เพราะจะต้องเรียนรู้สภาพพวกนี้ใช่จริงๆเลยอาณาการลักษณะของมันเป็นอย่างไรอย่างไรในหมู่พวกเราเนี่ยยังมีละเอียดลอ่อยู่เราชังกันเราไม่ชอบหน้าอย่าว่าแต่อะไรมากเลยแม้แต่คารวาสเนี่ยไม่ชอบสมณารูปนี้ไม่ชอบสมณารูปนี้อะไรต่างๆนานาขนาดว่าเป็นสมณานี่จะเคารพกันไม่ได้ยังถือสาพวกนี้กันอยู่แล้วจะทำยังไงสิกมาศก็เหมือนกันเออไม่ชอบเลยิกมาศอย่างนี้ยิ่งเป็นผู้หญิงโดยกาในยอดยิ่งยอ ด, ยยอดลิศยาการเก่งในใลึกๆมันมีนะ มันมีความไม่อยากได้ดีมันไม่ยกให้ผู้หญิงเหมือนกันเนี่ว่าตีตัวเสมอแล้วประลาสะแล้วยกตนเทียบเท่าแล้วจะแทนแค่ไหนว่าผู้หญิงเดียกันผู้ชายเนี่ใหญ่กว่าเราเคารพสมณะก็พอแล้วมีที่พึ่งแล้วไม่ต้องไม่ต้องเคารพผู้หญิงอะสิขมาศก็เป็นผู้หญิงที่จะได้รับสิ่งอย่างนี้แม้แต่ผู้หญิงนี่แหละตัวร้ายผู้หญิงนี่คือธาตุธาตุอิทธิภาวะเนี่ย ยอดมามีลักษณะพวกนี้เยอะกิเลสอะไรเนี่ยมันจะเก่งมันจะมากมันจะละเอียดละออมันจะบุบบวปับาบหรือมันจะพลิกพิวได้เก่งเนี่ยอิทธิภาวะหรือผู้หญิงเนี่ยเอาไว้ก่อนหมดละและมักจะมีไว้มากมายเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้นี่ไม่ใช่ใส่ความมันเป็นลักษณะอย่างนั้นตามสัจจะนะวัะนั้นเราเคารพกันไม่ได้เรานับถือกันไม่ได้ตีดตัวเสมอผูกโกรธผูกเครือง อุปนาหะจนกระทั่งถึงพยาบาทสิ่งเหล่านี้มันก็หยาบขึ้นไปอย่างที่ว่านี่ต้องอ่านไม่อารอกถือเคลื่อนถือแค้นถือเครืองถือสาไม่นับถือเขามีดีอะไรทําไมถึงยกขึ้นไปไม่มีดีพอที่เราจะเคารพหรือส่วนดีส่วนไม่ดีแม้ว่าเราจะดีกว่าเรายังเป็นฐานะคารวะแต่เรารู้สึกว่าเราจริงๆเราสูงกว่าน้ำมันเทียบและโดยสัจจะเราสูงกว่าเราดีกว่าเราจเจริญกว่ากา็เอา้า ขอให้เป็นความจริงเธออย่าหลงผิดแล้วกันเช่นอาตมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นนายแล้วในตรงนี้เป็นนายแล้วยิงมาแต่งงี้เนี่ยก็เหมือนนายธรรมดาก็าไม่ถืออย่างนี้เป็นชุดหรือเป็นเครื่องแต่งตัวอะไรของสมณะของนักบวชอะไรรักหลายคนก็ก็ถืออย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาตมามีอะไรเหนือกว่าผู้ที่แต่งตัวเป็นพระโดยซ้าผู้ที่แต่งตัวเป็นพระเนี่ยเขาก็นับถือกลา่าวว่าไอ้คนโน้นโน้นโน้โน เราเขาถือว่าเป็นพระยกให้กราบไห ว, ว้บูชาเคารพยกย่องเฉิดชูอย่างอาตมาเขาไม่ยกย่องเฉิดชูอะไรนี่ทั้งโลกเขามองมีคนมองอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาสูงกว่าพระที่ว่านั้นโดยซ้ำจริงจริงโดยฐานะแล้วเราก็รู้ความจริงตามจริงนั้นนะโดยไม่ไอ้นั่นอะไรไม่ใช่ว่าถือเอาแต่ว่าเราต้องเห็นจริงหรือแม้แต่คุณก็ตามแต่ละคนบางคนก็ตามบอกเออดังอาตมาเนี่ยเขาก็ถือว่านาย แต่คุณก็ยังเคารพนับถือเพราะคุณรู้สัจจะว่าอาตมามีมากกว่าคนที่แม้จะแต่งตัวมีรูปกายมีรูปแบบอะไรเป็นพระเป็นภิกษุแต่เขาไม่ได้มีคุณธรรมไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีคุณความดีอะไรมากกว่าอาตมาคุณก็ยังยกเคารพอาตมาได้แม้จะถือว่าเป็นนายตามที่คนอื่นเขาถือก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็มีความละเอียดละออถึงสารถะอย่างนี้ให้ได้ ยิ่งมีทั้งรูปทั้งนามเราก็ต้องเข้าใจสมมติสัจจาว่าเขาเคารพนับถือก็เคารพนับถื อ, อยาอตมาต้องกล่าวเคารพคนที่มีรูปแบบที่เขาเคารพนับถือต้องกลาวเคารพประบัติก่อนตามวินยัยตามหลักเกณฑ์ถ้ทั้งที่คุณจะทำไม่มีเท่ อ, อัตมาหรอกถือตามธรรมแล้วกเ็เป็นผู้น้อยเป็นผู้เล็ ก, กอัตมาแต่เราก็จะต้องรู้จักสมมุติ ร, รู้จัก เราควรจะทําอย่างไรอย่างไรโดยกรรมกิริยาด้วยอย่างไรแต่โดยสาระสัจจะที่มันลึกซึ้งละเอียดเราก็เข้าใจของเราเองให้ชัดเจนนะเพราะแม้แต่ที่สุดมีความปรารถนานะได้ลองอ่านดูพระกราฟต่อมาสักก่อนว่ามีความริษยาอันชั่วช้าอันบกคลีความควรละได้กายไม่ได้ละโดวยวาจาไม่ได้เพิ่งเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ทีนี้ดูกระพิสุท์ทั้งหลายก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นเชไหนขยายความดู ดูกระพิสทั้งหลายครื่องหับดีหรือบุตรแห่งเครหับดีในโลกนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพยเข้าเปลือกเงินหรือทองธาตุหรือคนเข้าไปอาศัยของครหับดีหรือบุตรแห่งครหับดีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอครหับดีหรือบุตรแห่งครหับดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าเปลือกเงินหรือทองอันหนึ่ง สมณะหรือพรามเป็นผู้ได้จีวรบินทบาาเสนาสนะและเพสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้สมณะหรือพรามผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋เนอท่านผู้มีอายุนี้ไม่พึงได้จีวรบินทบาาเสนาสนะและเพสัชบริการอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ดูกระฟิกสุดทั้งหลายนี้เรียกว่าความริษยาอันชั่วชา้า ดูกระพิสูจน์ทั้งหลายความริษยาอันอชา้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ท่านตรัสไว้เป็นตัวรู ป, ปธรรมนะเปรียบเทียบอย่างครือขัดเครืหขัดก็มีทรัพย์ของโลกมีข้าวมีเงินมีทองมีธาตุคนใช้มีเครื่องที่จะไปอาศัยของคนนี่แหละหรือของบุตรในเครือขามพดีเนี่แหละคือ ชาวโลกก็ะมีลาบยอดสันเสริญโลกีสุขนั่นแหะเป็นสิ่งที่เขาไปอาศัยนะและวเราธาตุฤทศยามีความปรารถนาแล้วมีความฤทศยาชั่วช้า ก, ก็คือเขาอยากสมบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้เลยอยากได้มีสิ่งเหล่านี้เลยนะทีนี้มาถึงสมณะบ้างท่านก็นบอกว่าก็เหมือนกับสมณะมีลาบเพราะมีจีวรบิณฑ บ, บาตเสนาสนะกิฬานเพศสัตว์หรือเพศเรือ อะไรอื่นที่พึงอาศัยก็เหมือนกันแต่ที่ท่านย่นยอบปัจจัยสีตอนนั้นเพราะว่าสมัยโน้นท่านไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยมากมายหรอกมีแต่ปัจจัยสีบริขารจริงๆท่านไม่ได้เป็นผู้มีบ้านช่องเรือนชานจริงๆนะในสมัยพระเจ้าเนี่พระไม่ได้มีกุฏิส่วนตัวไม่มีจริงๆในสมัยพระเจ้ายังอยู่ไม่มีพระมีกุฏิส่วนตัวหรอกแต่ทุกวันนี้เนี่เขาไปค้นพบที่อินเดียเขาไป ติดป้ายไว้เลยนะนิกุติพระพุทธเจ้านิกุติพระาสารีบุตรนิกุติพระโมคคลานิกุติพระ อ, อนนท์ก็ไปติดป้ายไว้เลยนะไปดูเถอะในหลักฐานต่างๆในที่ที่ไหนที่วัดไหนวิหารไหนที่เขาสืบทราบตามประวัติศาสตร์ได้วันนี้ไปติดป้ายไว้เลยจริงๆแล้วโมเมอาตมาขอยยืนยันว่าโมเม จริงท่านอาจจะพักที่นั่นก็จริงแต่ท่าก็ไม่ได้ไปติดไปยึดอยู่ที่นั่นท่านพักที่อื่นก็ได้วันหน้าวันหลังวันนูนน้นวันนี้แต่ก็พักกุฏิในว่างกุฏิในเพราะว่าท่านไม่ได้ถือสา ก, กันจริงๆท่านไม่ได้ติดยึดกันจริงๆว่าเป็นสถานที่พักของคนนั้นคนนี้กุฏิเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่มีสมัยว่าไม่มีเพราะฉะนั้นจะไปพูดถึงบริการจะไปพูดถึงโรงเรือนจะไปพูดถึงของพวกนี้นี่นะไม่มีใครไปยึดติดว่าเป็นของใครหรอกมีแต่ของส่วนกลางแน้แต่กุฏิก็เป็นของส่วนกลาง เในสมัยนี้จึงไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรไม่ใช่สมัยนี้ที่ท่านตรัสเอาไว้ในนี้จึงไม่ต้องมีการตัดพูดเหมือนกับค า, ารวาสเพราะค า, ารวาสต้องมีที่อาศัยมีอะไรอาศัยเยอะแต่สมณะพลิกศูนในสมัยนั้นก็มีแค่ปัจจัย4อัฐบริขารอัฐบริขารก็คือสิ่งที่ประจําตัวอัฐบริขาร8จริง ๆ, ส, งๆสิ่งนอกนั้นไม่มีเราปากกาดินสอแว่นตานาฬิกาอะไรไม่มีถึงมีมันก็คล้ายๆกับบริขารนี่แล่หิ้วไปห้อยไป ไอสิ่งที่จะเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นตึกเป็นถุติเป็นวิหารมีเข้าของนีเคลื่อนไปได้มีที่ดินอย่างนี้เหลีวไหลเลอะเทอะกันไปใหญ่สมัยพระเจ้าไม่มียุคสมัยที่พระเจ้ายังไม่ปริ น, พนิพานสิ่งเหล่านี้ตรัสตั้งแต่ยังไม่ปรินิพานเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านก็ไม่มีทําไม่ม ไ, มได้ตรัสอนาคตไว้อนาคตภายท่านก็ตรัสไว้มีอะต่างๆ น, นานาแถวๆที่จะใช้ภาษาแต่อันนี้ก็ว่ากันไปสันส้น สรุปแล้วก็คือว่าริศยาก็คือไม่ต้องการให้เขาได้สิ่งที่แม้แต่หยับหยาบแค่วัตถุรูปป่วยการกล่าวไปยัยถึงนมามธรรมเพราะคนที่ลึกซึ้งละเอียดไปถึงนมามธรรมแล้วนี่มันตีกลับเลยอย่าเรามาสอนคาหาบดีนี่นะเราจะไม่ลหลงไหลว่าคาหาบดีมีเงินมากก็ลหลงไหลไปตามเขาว่าโอ้ดีเนะคุณจึงมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร่ารวยมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเป็นของดี เราว่าเขาจะหลงนะเขาจะไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นข้าราชารบดีมีเงินมากมา ก, กา็ทานเธอเอาออกสักบางเฟื่อเจอจานเป็นบุญเป็นกุศลพูดให้เขาเข้าใจได้ชัดๆจะไปพูดมอมงๆกันอยู่ว่าคุณทานออกไปแล้วคุณจะได้มากกับเมื่อคืนเยอะกว่าเก่าทานอันนี้สิแจะได้มากกว่าเก่าแตทานมันก็น้อยออกไปแต่บุญกุศลคุณได้มากขึ้นหัดมากน้อยสิหัดสันโดษลงไปหัดพอน้อยกว่าพอเป็นกระถาวัตถุสิบ มีอปิชฉมีสันตุธิมีเปวิเวกมีการมักน้อยมีการสันโดดลงได้ไหมสามารถไม่ต้องสะสมกอบโกยได้ไหมสุดท้ายเป็นอปัจยะเป็นคนไม่สะสมเลยได้ไหมมีทิฏฐามีคาถาวถัตถุมีคำสอนมีคำอธิบายบรรยายให้มันเป็นคนลดละไปได้อย่างนี้บ้างสิข้ามบดีก็ตามค้าบดีก็ตามอย่างนี้เป็นการให้เขาได้ดีแต่ไม่ใช่ใจว่า แกจงเงินน้อยลงทรัพย์สินคาดแกจงน้อยลงจงชิบหายลงเพราะไม่ใช่บุญเพราะไม่ใช่กุศลไม่ใช่นะเขาจะลดละลงเขาจะน้อยลงจรงิงต้องเป็นสภาพบุญเพราะฉะนั้นเขาเสสละออกไปบ้างเขาจะได้คืนมาบ้างโดยบุญของเขาได้มามากกว่าเก่าอย่างน้อย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจว่านเป็นผลบุญของเขาเขาทายิ่งทํามากก็ยิ่งลดลงไปบางคนอาจจะยังไม่หมดง่ายๆมันซับซ้อนอะมันได้ สละออกไปมันก็ได้คืนมาสละออกไปได้คืนมายังมากยังมาอยู่เราก็รู้ว่าเออเป็นบุญของเขาแล้วเขาก็ปฏิบัติซื่อสัตย์สุจริตลดความเอาเปรียบลงมาได้จริงๆแต่ก็มีบุญ น, นั่นี่มีสะท้อนย้อนกลับมายังร่ํายังรวยยังมีมากมีมาขึ้นมาได้อีกจึงอะไรนี้เป็นตน้นเราต้องเข้าใจลึกซึ้งพวกนี้ไม่ริษยาในสิ่งที่เขามีแต่ถ้ามันสอดซ้อนมันสัตภาพเรีท ว, ว่าสรับซับซ้อนตีกลับปฏินิสัทธะได้แม้เคระห์หัดก็ตามโดยเฉพาะสมณะ จะมาให้มาสะสมทรัพย์สริงคารเงินทองเข้าของอยู่นะันไม่ถูกแน่ๆละลาแม้กระทั่งจิตที่ยังไปติดลหลงไหลยึดถือในสิ่งที่เขาเองเขายังยึดถืออยูนะ่หรือเป็นผู้ที่มีนามธรรมเนี่ยมีคุณธรรมในทางธรรมในทางจิตวิญญาณเป็นผู้มีอริยคุณเป็นโสดาเป็นสกิทาเราเองเป็นแค่โสดาเราก็นิสยาสกิทา ไม่เอาคนนี้ไม่คบคนนี้เราไม่ไปคบหาคนนี้เราไม่เอาแล้วก็หาทางแกล้งไม่ให้เจริญเป็นส ก, กิทาจริงๆแล้วนี่นะเศษเสี้ยวของความริษยาเศษเสี้ยวของการอาฆาตแล้ก็ของการไม่ชอบใจพวกนี้ไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีมันลึกซึ้งนะจะว่าไปแล้วเนี่ยโสดาบันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองทั้งหมดได้ โสดาบันเนี่ยสกิทาคามีก็ตามเพราะฉะนั้นจะไปรู้แจ้งรู้ชัดในเรื่องของการริศยาหรือว่าการมราคะปฏิคะซึ่งเป็นสังโยชน์สองข้อใหญ่ๆการมราคะนะยังหยาบปฏิคะความหมายนะก็ยังคลุมไปถึงหยาบ เพราะฉะนั้นการถึงขั้นปฏิคะแล้วจะไปหมดในเรื่องของมัชชริยะเป็นเรื่องของมัคคัพลาสนั้นอย่างหรอกเพราะฉะนั้นจะมีปฏิคะนี่จะมีอุปนาหะจะมีการผูกโกรธจะมีกานพยาบาทจะมีกานอะไรอยู่ไรๆเรื่องๆเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะพวกนี้นี่ถ้าเราไม่รู้เราจะไม่ปล่อยเราจะไม่มีเจตนาดีมีปรารถนาดีที่จะ ช่วยเขาลดเขาละเสียงเหล่านี้ถ้ามันมีริษยามากมันก็บอกว่าดีเองยิ่งมีกิเลสมากขึ้นอีกยิ่งดีใหญ่มีกิเลสหนาขึ้นอีกยิ่งดีใหญ่อย่างนี้ก็เป็นริษยาอันชั่วช้าลามกเป็นความไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดียิ่งเขาไม่ได้ดียิ่งเขาตกต่ำยิ่งชอบอย่างนี้ยิ่งลามกใหญ่ยิ่งชั่วช้าหยาบชั่วช้าจัด เราจะต้องรู้เลยว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นยินดีกับที่เขาชั่วยินดีที่เขาตกต่ำยินดีที่เขาหยาบขึ้นและเราก็อยากให้เขาหยาบขึ้นต้องปรารถนาต่อไปเลยนอกจากไม่ริษยาเราต้องปรารถนาดีไม่ริษยาก็คือเราไม่ต้องการให้คนไหนชั่วช้าไม่อยากให้ใครเขาไม่ได้ดีนะไม่อยากให้ใครชั่วช้าลงไปและก็ไม่อยากให้ใครไม่ได้ดีก็ไม่เอาต้อง ปรารถนาดีต้องการให้คนได้ดีซ้อนขึ้นไปเพราะฉะนั้นะในเรื่องของที่ท่านอธิบายนี่เป็นยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆนะจะเป็นคารวาสจะเป็นสมณะอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ริษยาที่ใครเขาจะได้อะไรขึ้นมานะต่อมาความปรารถนาอันชั่วชา้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้โดยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูกระเพจิ์ทั้งหลายก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นเไหนะดูกระเพริ์ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศีนนี่เป็นความปรารถนาที่ให้เขาเข้าใจผิดเราเราเป็นคนไม่มีศรัทธาก็ว่าเรามีศรัทธาให้คนเขาเข้าใจเราผิดพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเราเป็นผู้ทุศีล ก็อยากจะให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ได้สดับน้อยนะพระหูสูตรย่อมปรารถนาคนทั้งหลายเพื่อรู้เราว่าเป็นผู้ได้สดับมากนะเป็นผู้สดับน้อยไม่ใช่พระหูสูตรอะไรใช้ภาษาอะไรพระบาลีใช้ว่าอะไรผู้สดับน้อยพระหูสูตนี่สดับมากนะเป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปรารถนาคนทั้งหลายเพื่อรู้เราว่าเป็นผู้สดับมาก เป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะนี่แปลคำนี้มาเต็มๆเลยนี่ไม่รู้ว่าจะใช้อสังสักะอับปสุตโตเป็นผู้สดดับน้อยอับปสุตโตปัฒนาให้คนหนึ่งก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นพหูสุตโตใช่และเป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีในหมู่คณะก็ปัฒนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้รว่าเป็นผู้ชอบสงัดเป็นผู้ยินดีในความสงัด ชอบก็คือยินดีนั่นแหละเป็นผู้ยินดีแปลเป็นไทยบางทีเขาก็แปลว่ายินดีเป็ น, ปนปาปบางทีก็แปลว่าพอใจหรือว่าไปบางทีก็แปลว่าชอบชอบในความสงบระงับนั่นเองชอบในความสงัดแล้วด้วยยินดีในความสงัดยินดีในความสงบระงับแล้วนะแต่เป็ น, ปนผู้ตัวเองเป็นผู้ยินดีในการคลรุกคลีด้วยกิเลสแต่เขาบอกจะแปลว่าคลุกคลีในหมู่คณะด้วยไอ้นี่ภาษาบาลีว่าอะไรสังคณิกาสังคณิกาเป็นผู้คลุกคลีในหมู่คณะ ยินดีก็คงมีคําว่ายินดีนั่นแหละนะยินดีในการที่จะคลุกคลีด้วยสังคณิกะนะอัตมาก็อธิบายขยายความแล้วว่าสังคณิกาเ น, นี่ยคณะก็พูดว่าหมูค่คนอารจะอธิบายถึงหมู่คนก็หมูค่คนไปคลุกคลีอยู่กับหมู่คนที่เป็นพานหมู่คนที่เป็นปุถุชนหมู่คนที่อยากพาเราตกต่ำไม่ใช่มิตร ด, ดีสหายดีที่จะพาเราจเจริญไม่ใช่สปายะไม่ใช่บุคคลสปายะเราไปคลุกคลีก็อย่างนั้นก็แน่นอนผิดนะผิด เราคนคลุกคลีกับบุคคลสปายะและอยู่กับบุคคลสปายะจนเราปฏินิสขะจนเราเข้าไปคลุกคลีกับคนที่เราจะไปช่วยเขาได้น่สามารถที่จะเข้าไปผัดสะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือสามารถที่จะเข้าสู่บริษัทสามารถที่จะแกลลาแสดงธรรมกับบริษัทสามารถที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเข้าไปคลุกคลีได้ดังหากละ่ะนั่นเป็นสภาพที่ปฏินิสขะเป็นสภาพลึกซึ่งจนเรามีจิตสงัด ติงแท้แข็งแรงอัปปนาพยพปนาเจตโสพิเนโรปนาเราจรึงจะไปเป็นผู้คลุกคลีด้วยคนจริงๆแล้วเนี่ยต้องคลุกคลีด้วยคณะกิเลสเราไปทําให้ใจสงัดใจที่ไม่คลุกคลีกับกิเลสให้ได้ซะก่อนเพราะฉะการที่จะบอกว่าคลุกคลีด้วยหมู่คณะคลุกคลีด้วยคนนี้น่ยจริงๆแล้วไม่ตายตัวจริงๆแล้วเราจะคลุกคลีนะเบื้องแรกอาจจะไม่คลุกคลีพอเรารไม่คลุกคลีได้จนกระทั่งเราสามารถแข็งแรง ฝึกปลือมเข้าไปเข้าสู่บริษัทแกล า, กลาสแสดงธรรมกับบริษัทแล้วก็พิสูจน์จิตใจเราก็ยังยินดีในความสงัดยินดีในสิ่งที่เราเป็นจิตที่เราพิสูจน์แล้วและยิ่งมีภสษาเป็นปัจจัยเราก็ยิ่งได้พิสูจน์เพื่อแข็งแรงยิ่งขึ้นอันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่เราในการเราคลุกคลีด้วยคนดุคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่ใช่มิตรดีสหายดีด้วยซ้ําเป็นผู้ที่จัดจ้านด้วยซ้ํา เราก็สามารถที่จะสงัดใจสงัดได้ไม่เปลี่ยนแปลใจสงัดนี้ไม่เปลี่ยนแปลแต่การคลุกคลีด้วยคนนี้กลับไปกลับมาเป็นปฏินิสัขะได้ความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าเลวลงไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะก็คือการฝึกปรือระดับหนึ่งพอกลับไปคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็ยิ่งจเจริญขึ้นไม่ได้หมายความว่าเลวลงเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่มากขึ้นด้วยไปคลุกคลีก็เพื่อที่จะเกือ้อกูลเขาเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยเป็นแบบฝึกหัด และเพื่อกลัวกูนเขาอีกใจเราก็ได้พิสูจน์พญปนาอภินิโรปนาเจตโสอภินิโรปนาเขาไปอีกจิตยิ่งแข็งแรงปักมันตั้งมันเขาไปอีกสงัดเป็นผู้เจ็ดคร้านย่อมปราถนาคนทั้งหลายเพื่อรู้เราว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรเราเจ็ดครั้านแท้ๆก็ทําได้คุยเอาเราไม่ได้ไปช่วยผู้ช่วยคนอะไรลอกได้แต็มหมักแต็มหมก แต่จะหลบอยู่ก็ที่ไม่ออกจากรูก็ว่าเราขยันเราช่วยคนได้มากมันมากอะไรเราก็มาอยู่ในรูเท่านั้นถ้าเราจะช่วยคนได้มากก็จะต้องแกวกลาอาถรรพกว้างขวางบริษัทก็ต้องใหญ่ขึ้นบริษัทก็จะต้องยากขึ้นไปธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นเราไม่เกียรนคิกานขนขวายไม่ใช่เรื่องง่ายการจะสอนคนเนี่ขนาดพระพุทธเจ้าที่ปริวิตรกนิดหน่อยเลยว่าเราจะไม่สอนคนแคนั้นก็ ไม่ไหวแล้วจะกลายเป็นเกตครานจะกลายเป็นเห็นแก่ตัวจะหายเป็นว่ากลายเป็นว่าไม่เชื่อไม่ช่วยเหลือมนุษยชาติไม่ได้ต้องไม่เกตครานฝึกปลืจ้จริงๆว่าเห็นแก่ประโยชน์คนเราต้องขยันมันเพียงคนเราก็จะต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากอยู่บนทุกนี่แหละทุกขายอาอัตตานังนี่แหละตั้งตนอยู่บนความลำบากประทงังสติมันก็ต้องลำบากอนะ่ะ แต่ความลำบากเหล่านี้เราก็ฝึกปลือจนกระทั่งแคล้วคล่องจนกระทั่งทนได้ง่ายแล้วก็รู้ว่าคนเราจะต้องมีกรรมกิริยาอย่างนี้ต้องมีงานอย่างนี้และต้องมีกุศลกรรมก็ใช้มันใช้กรรมนี้ให้วิเศษให้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ไม่เกะคร้านคนทั้งหลายเพิ่งรู้ว่าเราปรรบความเพียรก็ต้องเพียรจริงๆไม่ใช่ว่าเราเกะคร้านแล้วก็เป็นหลอกคนอื่นเขามีปรารถนาลามกให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเราจะต้องทําให้สมคล้อยให้สมจริงให้เป็นจริง นะแม้เราจะขยนันแล้วคนก็เข้าใจว่าเราขี้เกียจก็ไม่เป็นไรถ้าจริงๆแล้วเราขยานันและเราก็ปฏิบัติจริงๆแล้วนะเป็นผู้มีสติหลงลืมย่อมปราปราัถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นสติก็ฝึกนี่ก็มันเป็นตัวรึกซึ้งแล้วนะเราก็จะต้องไม่โกหกใครทั้งนั้นแหละต้องอ่านละเอียดละออกไปแม้แต่สติก็รู้สติอนะ เป็นผู้มีปัญญาสามย่อมปรัชนาคนทั้งหลายเพื่อรู้ว่าเราเป็นผู้มีปัญญ า, าตั้งแต่เป็นผู้มีไร้ปัญญาหรือไม่มีปัญญาเสร็จแล้วเราก็ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเรามีปัญญาที่จริงแล้วความเฉลียวฉลาดนี้มันมีซ้อนเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเชโกรหรือเชกะแสดงเชิงของความฉลาดได้แล้วหลอกคนนึงเขาเข้าใจว่าเรามีปัญญาได้แต่ความจริงเรามีเชโกเป็นความเฉลียวฉลาด จริงๆเลยนะในโลกนี้เขาหลอกกันอยู่เนี่ยหลอกกันได้นะเรามีปัญญาแล้วเราไม่มีปัญญาหรอกแต่เรามีความฉเฉลียวฉลาดแล้วเราหลอกเขาว่าเรามีปัญญาปัญญาแปลว่าความฉเฉลียวฉลาดไปในทางธรรมนะเชโกเชกตตาเขาไม่ใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้นะเรามีความฉเฉลียวฉลาดแล้วก็หลอกว่าคนอื่นเขาว่าเรามีเรามีปัญญาที่จริงเรามีแค่เชโกในโลกนี่ซ่อนกันอยู่นะในสังคมนี่คุณดูสิ มีเชโกมีความฉลาดเอาเปรียบเอาร้ามีความฉลาดที่ซ่อนพลางมีความฉลาดที่ไม่สุดใ จ, รจหรอกลึกๆกําพลางเหมือนกับเราเป็นผู้ดีแต่แท้จริงไม่ใช่ผู้ดีที่แท้จริงเป็นคนอยู่ในโล ก, กียะเสะดสัมไม่ใช่โล ก, กุตระเสดสัมแต่ฉลาดมากเลยราวก็เป็นโล ก, กุตระบุคคลราก็เป็นพระอริยะเสร็จ แ, แล้วก็เป็นบาปเป็นภัยอยู่น่ะ เป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะย่อมปรารถนาคนทั้งหลายพึงรู้ว่าพึงรู้เราว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะดูกระพิสุจ์ทั้งหลายนี่เรียกว่าคนปรารถนาอันชั่วชา้าอันสุดท้ายก็ไม่ต้องอธิบายมากเราไม่สิ้นอาสวะก็ะหลอกเขาว่าสิ้นอาสวะพวกนี้ประราชิบประราชิกแน่ๆไม่สิ้นอาสวะก็หลอกคนอื่นเขาปรารถนาให้คนอื่นเข้าใจว่าเรามีเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้ว อย่างนี้เป็นปรารถนาลามกอย่าดั่ริอย่าปรารถนาเลยอย่ากระทําให้มันเป็นหลอกเป็นลอ่เนลอเป็นพลางอะไรใครเขาเลยนนี่เป็นความปรารถนาลามกทั้งโลกเขาไม่เป็นอย่างนี้ทั้งโลกเขานี่นะพลางคนอื่นเราไม่รวยอปรารถนาลามกคนอื่นจงเข้าใจว่าเรารวยะ เข้าบ้านเนี่กินข้าวกับก้างปลายาที่อาตมาคเคยว่าออกนอกโอ้โหไปกินสเต๊กไปขึ้นเหล้าไม่อะไรแต่อะไรแหมเรียงดูปูเสือคนนั้นคนนี้เขากลับมาบ้านทกกะเลาะกันเมียแหนแย่งกันอะไรจะกินจะใช้ก็ไม่มีลูกเต้าที่บ้านแย่ไอคนนิสัยอย่างนี้ก็แย่กันแล้วจะอวดอย่างใจอยากตัวปรารถนาลามกไม่มียศทําให้ว่าเขาหนึ่งก็มียศไม่มีศักดิ์ทําว่ามีศักดิ์ไม่มีความยิ่งใหญ่ปรารถนาลามกให้เขาเข้าใจว่าเรายิ่งใหญ่เป็นความเลวทราม แม้เราจะมีจริงเรายังไปอวดอย่าไปโอเลยถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรามีจริงๆก็อย่าไปอวดไปโออะไรกันเป็นการปรารถนาลามองนะเรามีดีถ้าเราจะต้องเปิดเผยความดีจะยกความดีจะใช้ความดีนี้ออกแสดงก็แสดงอย่างที่รู้จิตวิญญาณให้ลึกซึ้งเลยว่าเราเองเนี่ยเราจะใช้อันนี้เปิดเผยจะใช้อันนี้แสดงออกนั่นเป็นคุณค่านะเป็นประโยชน์เป็นการยืนยันเป็นการ ประกาศที่ควรแล้วตามกาลเทศะเข้าใจอสภาพพวกนี้ดีว่าใจเราไม่ลามกนะไม่ได้ทาอยางอวดโออวดใจอยากจะคุยเขื่องคุยโตอะไรล้อจริงๆอ่านให้ละเอียดเถอะอ่านให้ละเอียดแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเองเรานี่ละลดได้จริงๆแม้กระทั่งถึงขั้นละลดได้โดยปัญญาเห็นชัดเรามีปัญญาเป็นผู้รู้ชัดด้วยปัญญานะ มันเป็ผู้รู้ชัดด้วยปัญญาจึงละได้เราละจริงๆละในปรารถนาลามกอันนั้นซึ่งซ่อนนะปาปิกาปาปิกาอิจฉาเนี่ยปรัถนาดีปรารถนาลามกเพราะเรามีความปรารถนาดี น, นั่นที่อวดอ้างหรือว่าที่เปิดเผยอัตมาไปเปิดเผยว่าอัตมาเป็นพระอริยะแม้แต่ออกโทรทัศน์เขาถามตอนที่ก่อนนี่สัมภาษณ์กับอ น, น, นันตเสนาขัน ทีก่อนเขสัมภาษณ์ถามว่าท่านประกาศความเป็นอริยะจริงๆหรือในตัวว่าท่านบอกว่าท่านเป็นอริยะอาตมาก็ตอบว่าอาตมาประกาศอาตมาไม่มีความปรารถนาลา ม, มกจริงๆเลยอาตมาอ่านใจอาตมาอาตมาว่าอาตมามีสติสัพปพปัญญาได้ฝึกปรื้เหล่านี้จริงๆแล้วก็มีจิตแวววัยอ่านด้วย เ, เขาถามมาก็ตอบเร็วด้วยซ้ําไปไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปใช้เวลาคิดเพราะว่าจิตมันเร็วมันเร็ ว, รวกว่าคิดต่างไหนๆตักกาบวิตกกาเนี่ยมันช้าจะตายตัวแวววัยมุทุภูตธาตมันเร็วมันแววมันรวดรา สังขารวจีสังขารมันเราสามารถแววไยอ่านใจได้ชัดฝึกไปเถอะเราจะรู้นะอัตมาก็ว่าอัตมาไม่มีปรัชนาลามองไม่ได้พูดออกไปเพื่อเราจะเขื่องเราจะรู้แล้วตอบความจริงแล้วควรตอบแล้วอัตมามีภาษาสำนวนด้วยถ้าใครจําได้ในเทปหมดนะหนว่าถ้าในฐานะอย่างนี้กาละอย่างนี้พูดดูมันพูดอย่างนั้นด้วยซ้ําไปนะว่าอัตมาตอบได้ว่าอัตมาประกาศอัตมายืนยันในประกาศจริงๆ ต่อเพื่อที่จะให้ยืนยันความจริงประกาศควงความควรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราไม่มีปรารถนาลามกเราไม่มีความปรารถนาอยากโออยากปวดเป็นสถโถสะเถยสาเถยยะเป็นการโอการอวด ก, การอยากปวดอยากโชแต่ถึงการละเทศะที่ควรจะทำก็ทำเป็นความปรารถนาดีให้เขารู้ยืนยันยืนยันทำความจริงกับความเป็นจริง ที่ถึงครั้งถึงคราวควรอะไรงนี้เป็นตะ้นในสิ่งเหล่านี้นี่ลึกซึ้งต้องเรียนรู้ต้องทําความเข้าใจนะความปรารถนาดีที่จะช่วยเขาจริงหรือไม่อาตมาว่าอาตมาปรารถนาดีต่อผู้นั้นผู้นี้แสดงอันนี้ออกไปเพื่อแก้กล่าวแก้เพื่อที่จะขัดกล่าวเพื่อที่จะเจตนาให้เขารับรู้รับทราบมันเป็นการกระทบเขาบ้างแต่การกระทบนี้ไม่ได้หมายความว่าไปคมไปขีแต่เพื่อให้รับสัมผัสแลยแต่จะได้รับรู้สึก มียานปัญญามีความรู้สึกถ้าเราประเมินประมาณแล้วว่าเขามีความยึดติดเท่านี้นะมีภูมิขนาดนี้เราใช้ภาวะกรรมกริยากายวาจาออกไปเท่านี้ไปกระทบสัมผัสเขาแล้วเขาก็ได้รับการกระทบนี้แล้วไม่ถึงขั้นตกต่ําไม่ถึงขั้นที่เกิดโกรธเกิดเครื่องเกิดแค้นเกิด แต่อาการบางคนนี่ถือสาโกรธเคลื่อนเครื่องแค้นแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่แรงพอที่เขาจะทำบาปมากกว่านั่นลงไปได้แต่ถึงยังไงเขก็จะต้องทําไม่ทํายิ่งย่ำใจยิ่งตีกลับใหญ่ยิ่งละลามลามหรือว่าลวนลามหรือว่าทํายิ่งหยาบช้าเขายิ่งทําจัดเราก็จะต้องรู้พวกนี้อีกซึ่งอาตมาอธิบายในฐานะอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์นะพระโิสัตว์นี่จะต้องเข้าใจสภาพพวกนี้เยอะพวกคุณก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยก่อนแล้วก็หัดฝึกเหมือนกัน นะเพราะในเรื่องของปาปิกาอิจฉาในเรื่องของความปรารถนาลามกนี้ก็ต้องรู้ละเอียดเพิ่มเติมขึ้นโดยกระพิสูุทั้งหลายหากว่าโลภะครอบงำพิสูจนั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหกโกธอุปนาหะมัคขปราสมัฉริยะความริษยาอันชัวช่วช้าความปรารถนาอันชัวช่วช้าครอบงำพิสูจนั้นเป็นไปพิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ชั้นใด ท, ท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงําท่านผู้มีอายุนี้โทสะก็เหมือนกันโมหะมือนกันจนกระทั่งถึงความปรารถนาอัจวชาก็เหมือนกันนะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้เพระาะฉะนั้นผู้ที่จะรู้แม้ความปรารถนาอัจฉริยก็ไม่มีแก่ท่านผู้รู้นั้นฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพระาะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงครอบงําท่านผู้มีอายุนี้อยู่นะจนกว่าเรา หาว่าโลภะไม่ครอบงำแก่ภิกษุนั้นเป็นไปหาว่าโทสะโมหะความริษยาอันชั่วชา้าความปรารถนาอันชั่วชา่าย่อมไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ชั้นใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดชั้นนั้ น, นพระนุษย์ใดที่เป็นบุคคลพึงรู้ว่าโลภะไม่มีแก่ท่านผู้รู้หรือท่านผู้ใดก็แล้วแต่ท่านผู้มีอายุนี้เราย่อมรู้ชัดชั้นนั้นเพราะฉะนั้นโลภะย่อมจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ ผู้ใดรู้ชัดเห็นชัดแล้วก็ละลดละลดได้เพราะรู้ชัดเห็นชัดท่านใช้แต่คําว่าเห็นชัดรู้ชัดเห็นชัดเพราะฉะนั้นปัญญาหรือรู้ชัดเห็นชัดจึงเป็นตัวกําลังที่จะปราบอนุสัยอาสวะปราบสิ่งที่มันเป็นตัวกิเลสร้ายจริงๆเป็นสุดท้ายถอนอาสวะด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญาเห็นชัดรู้ชัดนะไม่ใช่ปัญญา หรือว่าความฉเฉลียวฉลาดฉาบเฉวยอื่นๆก็เหมือนกันหมดทุกอย่างความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นที่สุดจึงไม่ครอบงําท่านผู้มีอายุนี้ก็หมดไม่มีอะไรครอบงําท่านผู้รู้นี้ทั้งหมดถ้าได้รู้ชัดและได้ฝึกปรือมาเป็นลําดับลําดับอย่างแท้ จ, จริงแล้วก็เป็นผู้ละในกา ย, ยสูตรนี้ละตั้งแต่กายหยาบมาจนกระทั่งถึงกายละเอียด แล้วกายละเอียดที่ว่านี้เป็นองค์ประชุมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมันมาประชุมกับจิตวิญญาณเราเราก็ขจัดกิเลสออกจากองค์ประชุมนี้เหลือแต่องค์ประชุมที่เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตเจตสิกที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราขจัดอกุศลออกจากจิตหมดแล้วเราก็มีองค์ประชุมของจิตที่ปรุงแต่งได้ปรุงแต่งด้วยกุศลปรุงแต่งด้วยกุศลเจตสิกกุศลจิต โดยเจตนาโดยรู้เพราะฉะนั้นผู้นี้ก็มีความเป็นอยู่ที่มีบุญสร้างบุญเพราะสิ่งที่สังขารที่ปรุงที่แต่งที่สร้างที่กระทํามีแต่บุญมีแต่ของเป็นประโยชน์ของมีบาปรามกเล็กรามกน้อยไม่มีหมดเลยมีความปรารถนาที่ดีเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องอย่างน้อยจะต้องมีอิจฉาวจรนี่คือความปรารถนาและความเป็นอิจฉาวจรนั้นคือความเป็นไปเนี่ยท่านบอกไว้แล้วว่าเป็นไป ท่านผู้นี้ภิกษุนี้มีโลภะไม่ครอบงํานั้นเป็นไปหากว่าโลภะไม่ครอบงําเหมือนกันหากว่าปราถนาอันชั่วช้านั้นมไม่ครอบงําเป็นไปเป็นไปก็คืออวจร น, นี่เองดำเนินไปเป็นไปได้เป็นที่สุดก็เป็นอันเจริญสูงสุดเป็นอันว่าครบ กายสุที่อาตมาพยายามขยายความเพิ่มเติมก็ไม่พิสดาร น, นัดเจาะเข้าไปหาตัวปรมัตัยเท่านั้นเองไม่เหมือนเขาก่อนๆที่พยายามอธิบายในใภาษากว้างหยาบลึกอะไรไปมากอันนี้ลึกโดยเฉพาะตีเข้าหาตัวปรมัติตรงๆกายสุ ก, ก็จบลงเพียงทัว น, นี้นะเอัง